อารามพกถาโดยเสื้อจอนอันเดรสันข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะรับเกียรติเขียนคําอารามพกคถาให้กับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้บรรยายถึงชีวิตในโลกแห่งวิญ ญ, ญาณไว้อย่างชัดเจนมากสภาพแห่งชีวิตดังกล่าวนี้เป็นประสบการณ์ที่บุคคลผู้ได้เคยประกอบกุศลกรรมไว้ครั้งเมื่ออยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ผ่านพบมาแล้วด้วยตนเองความจริงเช่นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า การค้นคว้าสอบสวนของข้าพเจ้ามนเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาแห่งความคิดนั้นเป็นความจริงโดยแท้ผลงานชิ้นนี้จะทำให้บุคคลผู้กำลังประพฤติ ธ, ธรรมประกอบแต่กรรมดีอยู่ในปัจจุบันมีความเชื่อมั่นในความไม่สูญหายของกรรมยิ่งขึ้นนอกจากนั้นจะทำให้ผู้อื่นที่อาจกำลังกระทำชั่วอยู่ได้เปลี่ยนความถีของกระแสคลื่นแห่งความคิดของตนเสียทั้งนี้เพราะความคิดที่ดีและชั่วนั้น ย่อมมีขนาดช่วงคลื่นและความสันสะเทือนคือความที่ต่างกันนอกจากนั้นจะทำให้ผู้อื่นที่อาจกำลังกระทําชั่วอยู่ได้เปลี่ยนความที่ของกระแสคลื่นแห่งความคิดของตนเสียและหลีกจากภูมิอันหาความเจริญไม่ได้ในโลกหน้าเสียเราะภูมิอันมืดมนอนทกาเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการที่บุคคลยอมรับความสันสะเทือนของกระแสคลื่นแห่งอกุศลจิตเข้าไว้ในตน อันทำให้เกิดความทุกข์ยากคับแค้นนานาประการดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ความคิดเป็นพลังก่อให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในสากลจักรวาลทั้งนี้เพราะการกระทำทุกอย่างของเราย่อมเป็นผลมาจากความคิดของเราเองทั้งในด้านดีและด้านร้ายทุกขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นการสร้างสมมรดกไว้ให้แก่ตนเองในโลกทิพย์และเป็นกระจกเงาฉายให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า ความทยานอยากอันเกิดจากความคิดของเราในโลกนี้จะทำให้เราร่ำรวยหรือยากจนเพียงไรในโลกทิพย์กฎแห่งเหตุและผลหรือกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งสากลจักรวาลที่ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์เป็นผู้มีอิสระจะดาเนินชีวิตแบบใดก็ได้ตามเจตนาอันเป็นเสรีของตนการที่วิญญาณของบุคคลจะได้รับทุกเรศุก อ, อย่างไรในโลกทิพย์นั้น ก็สุดแล้วแต่ผลของการเลือกวิถีทางแห่งการดำรงชีวิตโดยเสยรีในโลกนี้เองการที่บุคคลต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความเดือดร้อนใจในความผิดแต่ผลหลังของตนเองนี่แหละเป็นการลงโทษที่วิญญาณจะได้รับอย่างสาสมในฐานะที่เป็นสภาวะอันจะต้องมีชีวิตสืบต่อไปหลังจากการทาลายเหง่งกายเนื้อแล้วแต่เดิมมามนุษย์ส่วนมาก เป็นผู้เขาต่อความจริงที่ว่าตนจะต้องเป็นผู้รับผลอันหลีกเลี่ยงไม่ได้แห่งกรรมที่ตนได้ก่อไว้ในโลกมนุษย์ในเรื่องนี้ทางคริสตศาสนาในโลกมนุษย์ก็ไม่สามารถจะช่วยให้เกิดสันติสุขขึ้นในโลกสมดังที่ท่านศาสดาได้ตั้งเจตจำนงไว้ปัจจุบันอริยธรรมของมนุษยชาติกาลังมาถึงที่ทางสองแ่งแล้วคือถึงเวลาแล้วที่มนุษย์จะต้องตัดสินใจว่า จะเลี้ยวไปทางสายวัตถุนิยมหรือจะไปทางสายจิตนิยมดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าคงจะได้มีหนังสืออื่นๆที่มีคุณประโยชน์เช่นเดียวกันนี้ออกมาเรื่อยๆเพื่อว่ายุคแห่งการฟื้นฟูความเชื่อในทางวิญญาณจะได้ก้าวหน้าต่อไปอันจะทำให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีกันได้ทั่วโลกในที่สุด